ทำดีจิตใจพองใสจะเป็นสุขเนื้อ เนื้อใครประใจเป็นคุาธรรมกายวิจารและใจคือการกระทำที่เขาเรียกว่ากรรมขอจงประทากรรมดีเว้นควมชั่วทําดีจิตใจของใสจะเป็นสุขเนื้อใครประใจเป็นคุณธรรมกายวิจารและใจคือการกระทำที่เขาเรียกว่ากรรมขอจงประทากรรมดี ขอจงปรดทำกามดีเว้นความชั่วทำดีจิตใจพองใสจะเป็นสุขเหนือใครประใจกถึินธรรมกายวิจาและใจคือการกระทำที่เขาเรียกว่ากรรมขอจงปรดทำกามดี กันนี้